ท่านมาให้ไปคบค่าสมาคมกับคน่านคนพานภาย น, นอกอย่างหนึ่งคน่านภายในจิตเป็น่านคือจิตใจคนเรามันชอบไหลไปในทางที่ต่าที่ชั่วนั่นแหละคือมันเป็นเป็นพานอยู่ในตัวอย่างว่าได้เวลาได้เวลาไหว้พระสวดมนตนั่งสมาธิภาวนา ถ้าไปเชื่อกิเลกมานสังขาละมานไม่ได้ทำเพียงเราคิดว่าจะลุกขึ้นไหวพระสวดมนต์เสทีนั่งภาวนามันไม่ข้อแก่ตัวล่ะถ้าร้อนมันก็เอาร้อนมาแก่ว่าร้อนอย่าเพื่อนั่งภาวนาเลยมันเย็นสบายชะก่อน ถ้าทําการทํางานหนักนินท์หน่อยๆมันก็เหนื่อยวันนี้ภาวนาไม่ไหวนอนเชก่อกอดหรือวันนี้กินไม่ค่อยอิ่มดีเท่าไรอย่าเพื่อภาวนาเลยมันท้องมันเหิวมันหิวถ้าวันไหนอิม่มๆจึงค่อยภาวนาอย่างนี้ก็ไปเชื่อมันมาได้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 นับตั้งแต่ท่านปลาธนาเป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิญาณมาท่านไม่ให้ขาดเกิดมาพบใด่าดใดก็ตามทานศีลภาวนาท่านตงยกใส่เกล้าเท่าใส่หัวตั้งใจทำตลอดชาติมันจะเป็นอะไรอะไรก็ให้เป็นไป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 ผลที่สุดก็ได้ถึงขั้นตัดสรูปเป็นสาวกติยานั่นคือว่าท่านทำไม่ถอยท่านไม่ท้อถอยคนอื่นผู้อื่นท้อถอยท่านก็ไม่เกี่ยวท่านเอาตัวของท่านได้เราทุกคนก็ให้คิดถึงตัวเองใหนมากแล้วก็เตือนใจของเราให้รู้สึกสำนึกว่า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 คิดแปดนอนมันก็ตายนะมันตายได้ทุกเวลาถ้าเราคิดดูให้ดีแล้วเอความตายมันตายได้ทุกวันทุกคืนอย่างนี้คนอื่นเขาตายให้เห็นเราก็เอามาคิดมาพิจรารณาถ้าตัวเรานี้ถึงขั้นตายอย่างนั้นคนงามความดีอันใดของเราเกิดมีแล้วหรือยัง เราจะไปร้องขอเอาจากใครในเมื่อเวลาเราอยู่ดีสบายพอที่จะประกอบกระําเอาบุญกุศลชนนี้เราอย่าให้มันเสียเวลาให้เี่ยทํเพราะเมื่อความเจ็บไข้มาถึงก็ตามหรือว่าความตายมาถึงตัวของเราก็ตามเราจะไปเปลี่ยนให้คนโน้นคนนี้ว่าช่วยบ้าง หรือว่าไปช่วยตายให้ข้าไปเจ้าปะเขาจะไม่ยอมก็ได้วาระของแกแกก็ตายไปสิจะมาเอาข้าไปเจ้าไปตายทำไมเล่เาเขาบ็ว่ า, างั่นนั้นเราต้องตั้งใจของเราเองพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตัดว่าอัตตาหิอั ต, ตโนนาโธ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 ขั้นที่สามที่สีที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดที่เก้าที่สิบก็ทําได้แต่ถ้าเราไปละเลยเสียขั้งแรกก็ทํำไม่ได้มันก็โกโหกพกลมเราเรื่อยไปผลที่สุดเลยไม่มีเวลาทําไม่มีเวลาปฏิบัติทั้งทั้งเวลามันมีอยู่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 ได้เวลาทำอะไรให้รีบทำโดยเฉพาะคือว่าเวลาปฏิบัติธรรมะเวลาฝังธรรมเวลาปฏิบัติบูชาสิ่งเหล่านี้เราต้องเอาเวลาเข้ากากเกณฑ์ไม่ให้จิตใจมันละหลวมเพราะว่าใจมนุษย์ปุถุชนคนเรานั้นมันละมันละจนหลวม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 ทั้งหญิงทั้งชายขนาดเจ็ดขวบเจ็ดปีท่านสามารถภาวนาได้ละกิเลสได้ด้วยเป็นพระโสดาภิกษทาคาอนาคาเป็นได้ถึงพระอรหันต์เพือว่าท่านทำท่านไม่ใช่เป็นนักพูดนักพูดอย่างเดียวมันพอทำได้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 ก็เพราะว่าเราทําอะไรมันไม่จริงใจใจไม่จริงเมื่อใจไม่จริงกิเลสมารสังขารมารมันก็หลอกลวงให้วันไวสั่นสะเทือนไปต่างๆนานานะเลยใจิตใจไม่แน่วแน่มั่นคงเราต้องเอาให้มันแน่วแน่มั่นคงการภาวนานั้นความจริงคือว่าทุกกิริยาบท ยืนก็ภาวนานั่งก็เรียกว่านั่งสมาธิภาวนาเดินก็เรียกว่าเดินจงกรมภาวนานอนชี้หัดสยญาตินอนตะแคงขวาก็เป็นการภาวนาคือว่าทุกอิริยาบทยืนเดินนั่งนอนเมื่อหัดเข้าชำนาญเข้ามันต้องทุกอิริยาบทนอนเลยเหมือน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 เป็นคนลูกหลานเศรษฐีเขาลาพ่อเศรษฐีมาบวดเขาก็ไม่อยากให้บวดพอท่านลาได้มาบวดท่านภาวนาจริงๆองนั้นคนสมัยนี้ดูจะไม่มีความอดทนเหมือนองนั้นทีแรกท่านก็มานั่งภาวนา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 เท่าแตกแล้วก็ยังไม่ได้สำเร็จมากผลท่านก็คลานเอาบอลเอาเข้าลงไปมือสองข้างลงไปคลานเหมือนเหมือนวัวควายละ่ะภาวนาพุทโธเรื่อยไปองนี้ท่านท่านสอนตัวเองโดยอยู่ีนี้ขั้นเข้าก็นานเข้า่ะมัน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 พื้นแผ่นดินเรียบเรียบปรับกปะดีๆแล้วนอนกลิ้งไปและพลิกไปคลิกไปพุทโธไปจนสุดทางจบกลดแล้วก็กลิ้งกลับมาอีกถึงสุดทางนี้อีกภาวนาพุทโธเรื่อยไปอย่างนั้นแหละอีตอนนอนขวางทางนี่แหละได้การเลยคือร่างกายก็ไม่แตกไม่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 จนถึงขั้นในสำเร็จมรรคผลในการเดินจงกรมแบบนอนจงกรมแต่ไม่ใช่นอนนิ่งนิ่งถ้าไปนอนนิ่งด้งกิเลสมามันก็เขาเยียบคอเท่านั้นเองแต่ท่านไม่นิ่งกลิงไปพุโทโธกิ้งไปนึกจเจริญเอาจนได้ใช้ถนะัดได้สำเร็จในการเดินจงกรมองนั้น พวกเราทั้งหลายทุกองทุกคนถ้าเอาขนาดนั้นแล้วหลวงปู่ว่าได้สําเร็จทุกคนนันแหละตอนที่มันไม่เอาเลียดีตอนนี้หละมันไม่ได้ถ้าถามว่าอยากได้ไหมโอ้ยกมือสาธุอยากได้หละอยากเป็นคนที่หนึ่งของโลกแต่ว่าเวลาทำมันไม่เป็นคนที่หนึ่งของโลก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 อุบายธรรมต่างๆก็เหมือนกันมันไม่ใช่พุโทโธอย่างเดียวอุวบายใดเมื่อเราเอามานึกมาเจริญมาสอนจิตสอใจของเราถ้าให้จิตใจเราสนบระลับได้รับความสลดสังเวชก็ให้ถือว่าเป็นอุบายภาวนาที่ถูกกับ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 ก็ไม่ได้เลือกอย่าไปฟังมันตั้งใจทำตั้งใจปฏิบัติมันจะหลอกลวงให้เราหยุดยัง้งเป็นอันว่าไม่ยอมพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านไม่ยอมง่ายง่ายท่านเอาจิงจริงกิเลสความโกรธความโลภความหลงนีง่ท่านเห็นว่าเป็นตัวมาร้ายที่สุด ท่านลุกขึ้นยืนหยัดต่อสู้เอาจนได้ชัยชนะไม่ใช่คนอื่นสู้ให้นะตัวของท่านทัาสู้เองละอิเลสเองทำความเพียรเองจนได้บรรลุมรรคผลถึงซึ่งนิพพานด้วยจิตใจของตัวเอง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 นา่นแหละคือว่าคนทำจริงมีพระพุท ธ, ธเจ้าเป็นต้นเป็นประธาน ม, มีพระสงฆ์สาวกเจ้าทางหลายเป็นต้นเป็นประธานจึงได้เป็นคติเตือนใจเราเราทัานท่านว่าอย่านิ่งนอนใจไม่มีใครจะช่วยตัวเราได้ดีเท่ากับตัวเราเองตัวเรานั่นแหละ เตือนตนด้วยตนเองพิจารณาภาวานาใจของตนเองให้สงบตัง้งให้อาจริงทำจริงๆเมื่อจริงปฏิบัติจริงจะไม่รู้จริงเห็นแจ้งนั้นไปนไม่ได้ต้องเป็นได้เพราะพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าพระองค์ยังยังตัดได้ ทันที่เราดูชาติดูตระกูลไม่น่าจะออกมาบวชภาวนาได้คนสมัยนี้ละก็อังหยีก็ไม่สมัยนั้นไม่จ้างท่านมีศรัทธาออกบรรพชาเองไม่ให้ท่านก็ลัดออกไปเที่ยงคืนเราก็ลื่นขี่มาไปเลยใช้ไม่ทันทันละ ทันดีทันเก่งทันเก่งมากฉังนั้นเราทุกคนต้องแบบพระพุธทธเจ้าพระพุทธเราทันภาวนาเก่งเราก็ต้องไว้เก่งภาวนาไม่ใช่เก่งพูดเก่งที่เขุยใจไม่ได้เก่งปฏิบัติที่เลสความโกรธทั้งหมดน่ละคนเก่งละเด็ดความโลภราคะตัณหาตัดออกจากจิตใจได้นั่นแหละเก่ง พระเก่งเน่งแม่ขาวแม่ชีเก่งต้องปูตัดกิเลสในใจของตนไม่ตามใจจิตผู้ใดตามใจกิเลกตนเจอจะจับว่าคนเก่งกล้าสามารถไม่คนอ่อนทอดแท้นทานั้นตเจ้าวทันสามารถอารันมรรคที่พานที่พระองค์ได้ตัดสูะความจริงคือพระองค์เอาชีวิตเก่า ดูเวลาวันนั้นที่พระได้ตัดสูท่านมีความตั้ง่จแม้ชีวิตเลือดเนื้อเชื่อไขยเหงือดแห้งไปเหลือแต่หนังกระดูกก็ตามทีมันจะตายเราก็จะให้ตายจะไม่ไปตายที่อื่นท่านตั้งใจลงอย่างนั้นเจ้ากิเลสมารสังขารไม่ต้องมาหลอกอยีต่อไป เราเชื่อแกแล้วจะองค์ชี้กิเลสได้ไม่ทำตามจริงๆท่านภาวนาลูกเดียวใจแน่วแน่มั่นคงจนได้ตรัสนุตน์สัมมาสัมพยาญาจริงๆไม่มีใครไปช่วยพวกทางหลายก็ไม่เลยไปช่วยท่านอย่าว่าแต่ไปภาวนา แม้อาหารเราบินบาทเราก็ไม่ได้ไปใส่บาตรกับพระเจ้าถ้าไปเกิดสมัยนั้นเกิดดูเป็นคนตักบาตรมไม่นคนใส่พระพุทธเจ้ารู้ใจล้วไปขอขอบันทันกับท่านรเรียกว่าไปตักบาตรพระพุทธเจ้าไม่ใส่ใส่บาตระันั้นเราต้องตั้งใจของเราเสียหาใหม่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 มัวเห็นแต่ความสบสบายในโลกมันก็เลยเศรษฐกิจมันก็จิตมันก็สั้นเข้าไปไม่ได้เรื่องมันได้ล่าทั้งในนั่งภาวนาปฏิบัติบูชาในทางพุทธศาสนาก็ตีโพยตีพายว่าไปอย่างใดที่จะไม่ได้ทำแล้วก็ชอบอย่างนั้นเราต้องไม่เอาอย่างนั้นไม่เอา พระพุทธเจ้าท่านพูดจริงตัดจริงพูดอะไรเตลว่าพูดจริงตัดจริงสอนจริงคิดจริงคิดว่าจะให้ได้ตัดสิรูเป็นพระพุทธเจ้าถ้าไม่ได้ตัดสิรูข้าจะนั่งภาวนามันตายแห้งเหมือนกบยากการตั้งใจภาวนาเอาจนได้ชัยชนะ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 ขอพระพุทธเจ้าท่านทำได้เป็นตัวอย่างทำไมเราจึงทำไม่ได้พระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธกาลท่านทำได้ตลอดถึงอุบาสกอุบ า, าสิกาศรัทธาชาวบ้านชาวบ้านบางคนท่านปฏิบัติพระ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 คือใจของเรานั้นใจของเราต้องมีสติความระลึกได้ว่าเดี๋ยวนี้เวลานี้เราอยู่ในฐานะใดเย็บใจเราได้นึกน้อมอยู่ในภาวนาไหมใจของเราเลื่อมใสในคุณประพุทธธรรมประสงค์รหรือเปล่าเราทำบาปหรือเราทำบุญเราคิดบาปหรือเราคิดบุญ เราพูดบาปหรือเราพูดบุญสิ่งเหล่านี้เราจะต้องเตือนตนเตือนใจของตนให้ได้แล้วก็จะได้แก้ไขสิ่งที่ผิดดเหล่านั้นออกไปให้หมดสิ้นเอาแต่สิ่งที่ถูกต้องตามธรรมนองคลองธรรมมาประพฤติปฏิบัติให้มันคล่องแคล่วว่องไวทันจิตทันใจทันกิเลส จึงจะละกิเลสความโกรธได้จึงจะละกิเลสความโลภได้จึงจะละกิเลสความหลงได้ฉะนั้นอุบายธรรมต่างๆที่กล่าวมานี้มากมายพอสมควรเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กาหนดจดจานำไปประพฤติปฏิบัติ ก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประการลนันีสัพพีติโยวิวัตันตุสัพพะโลโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอะิวาธานาสิริชนิจังวุธาปจายิโน ยะตาโรธรมมวาทันติอายุวันโนสุขังภาลังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมุท thất ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุท thất ะนะโมตัสสะภะคะวะโต <c oughs> อะระหะโตสัมมาสัมพุทธาพรอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคราหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ถึงเวลานั่งส ม, มาธิภาวนา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 ลอยวางอารมณ์ภายนอกออกไปให้หมดสิ้นการนั่งสมาธิภาวนาขัดสมาธิเพชรนี้เป็นธรรมเนียมมาจากพระพุทธเจ้านั่งภาวนาใต้ลมไม่โทลการนั่งขักสมาธิเพชรนี้ได้นำไปเวลานี้ได้ไป นั่งสมาธิในกรุงเทพในกรุงเทพภาวนาทุกวันถับไปเดี๋ยวนี้เมันก็หัดให้นั่งสมาธิเทศทางนั้นไปเทศวัดเบญจกคนจะนอนหลายพันคนก็ให้นั่งสมาธิขัดสมาธิเพทศไปนั่งวัดวัดทันตีกลางลามมันก็ให้นั่งขัดสมาธิเพทศ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 อุปสรรคมันมาให้เพื่อให้เราสร้างบารมีบารมีเราจะได้แก่กล้าเมื่อมันมีอุปสรรคเมื่อแก้ไขสิ่งที่อุปสรรคเล่นไปได้มันจะเป็นบุญเป็นกุศลชีวิตของคนเราทุกคนที่เกิดมานั้นเขาว่ามันต้องต่อสู้ถ้าไม่ต่อสู้ก็ไม่ได้ต้องต่อสู้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 เป็นหลังแห่งโรคภัยไข้เจ็บโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นในร่างกายสังขารนนะตลอดเวลาถ้าเราไม่ภาวนาไม่สังเกตก็ไม่เห็นถ้าเราสังเกตก็จะได้เห็นนั่งในนั่งมันก็มีอุปสรรมีทุกข์ขึ้นมาถ้านั่งนานๆหน่อยมันจะปวดนั้นเป็นนี่มึนซาอะไรต่อมีอะไร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 คอยจะให้เกิดทุกขเวทนาขึ้นได้ทุกเวลาเทเนี้ยถ้ามันเจ็บไข้ได้ป่วยอันใดเกิดมีขึ้นมันก็ปรงแต่งไปก่อนแล้ว่ามันจะกำเลิกมากจะได้ถึงแก่ความแตกความตายมันว่าไปนอทั้งๆที่มันนิดๆไ ด, ด้หน่อยเท่านั้นเหตนั้นมารกิเลสเหล่านี้ท่ว่าให้ลู่เล่ห์เหลี่ยมของมัน อย่าไปเชื่อไปหลงถ้ามันยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่มันยังไม่ตายแล้วภาวนาเรื่อยไปพุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกหรือรวมจิตใจของตนให้มีความสงบตั้งมั่นอยู่ในตัวอยู่ในใจอยู่ภายในเมื่อทําภายในในใจได้เป็นครัง้งเป็นคราวทำได้สม่าเสมอ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 ยุดใจมันก็ค่อยเป็นค่อยไปมันไม่ใช่ว่าเป็นไปตามความมุ่งมากตามนารวดเร็วเหมือนใจคิดใจอยากไม่ได้ต้องทำเลือดไปปฏิบัติเลือดไปอย่ามีความท้อถอยพระพุทธเจา้าพระองค์ทรงตรัสไว้แล้วว่าเอาให้ได้ทุกลมหายใจ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 ตอนแรกๆ ก, ก็ทำเป็นการเป็นเวลานานเข้าไม่ต้องเลือกแล้วที่ไหนก็ภาวนาทางนั้นจะคับสมาธิจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะทายอะไรก็ภาวนาเลือกไปที่ารนาอยู่ในใจอันนันต์เมื่อวทำได้สม่าเสมอเมื่อทำได้สมา่เสมเสมาเสมอแล้วมันก็เป็นไปได้จเจริญไปได้ติดต่อเนื่นองกันไป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 มันมีความไม่เที่ยงแท่แน่นอนทั้งหมดโลกนี้มันเึ็ไปโดยทุกข์ทุกข์ตั้งแต่เกิดจนถึงวันตายโลกนี้ไม่ใช่ของบุคคลผู้ใดแต่ความหลงของคน ข, ของสัตเมื่อตัวเกิดมาที่ไหนกดยึดมั่นถือมั่นในที่นั้นมาเป็นแผ่นดินของเรามันเป็นแผ่นดินของกายตายแล้วก็ถมแผ่นดินพ้นที่สุด